สองอนิจจวัคหมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงหนึ่งอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 12. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า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 อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุกขสูตรที่สองจบ 3. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 14. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำนัด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 เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์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 ยัตานิจจะสูตรที่สจบหยังทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์16เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตา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 รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปยานัตตาสูตรที่หกจบเจ็ 7. อเหตตุอณิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัยสิบแปดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เทียงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เทียงรูปเกิดจากสิ่งที่ไม่เทียงที่ไหนจากเทียงเล่าเวทนาไม่เทียงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เทียงเวทนาเกิดจากสิ่งที่ไม่เทียงที่ไหนจากเทียงเล่าสัญญาไม่เทียง สังขารไม่เทียงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่เทียง i i สังขา ร, เ ก, ขขารเกิดจากสิ่งที่ไม่เทียงที่ไหนจักเที่ยงเล่าวิญญาณไม่เทียงแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เทียงวิญญาณเกิดจากสิ่งที่ไม่เทียงที่ไหนจักเที่ยงเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเหตุอนิจจสูตรที่เจ็ดจบ 8. สเหตุตุทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกพร้อมทั้งเหตุปัจใจัย1เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี รพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจกมีสุขเล่าเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจะมีสุขกล่าวิิษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสเหตุตุทุขสูตรที่8จบเก้าสเหตุตุอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัย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 แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจะมีอัตตาเล่าภิสษุ์ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสเหตุตุอนั ต, ตสูตรที่เก้าจบ สิอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์21เรื่องเกิดขึ้นที่อารามในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนั่ที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธ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 เวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสริมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งเวทนานั้นเราเรียกว่านิโรธสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง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 3. อนัตตสูตร 4. ยัทนนิจสูตร 5. ยังทุกขสูตร 6. ยัทนนัตตสูตร 7. อเหตุตุอนิจสูตร 8. อเหตตุทุกขสูตร 9. อเหตุตุอนัตตสูตร 10. อนันทสูตร